รปรบุตเตะเระมาตุเปติวัตุเรื่องนางเปรตอดีมารดาพระสารีบุตเถระพระสารีบุตเถระถามนางเปรตตนหนึ่งว่าหน้านางผู้มีร่างกายสู้ผอมมีแต่ซี่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพันธุ์และรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสู้ผอมมีร่างกายสะพร่งไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ณที่นี้ นางเปรตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นๆดิฉันเกิดในตระกูลศากยะเป็นมารดาของท่านดิฉันเข้าถึงเปตะวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วจึงกินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูก กินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายลูกน้อยเอย๋ยขอลูกจงให้ทานเพื่อแม่ครั้นให้แล้วจงอุทิศส่วนบุญนั้นให้แม่บ้างถ้ากระไร แม่จะพึงพ้นจากการกินหนองและเลือดพระสารีบุตรเทระฟังคำของมารดาแล้วคิดจะช่วยเหลือจึงปรึกษาพระมหมาโมคลานะเทระพระอนุรุท ธ, ธะและพระกัปปินะได้สร้างกูดีสี่หลังแล้วถวายกูดีข้าวและน้ำแด่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศ ท, ทั้งสอุทิศส่วนบุญให้มารดาในลำดับที่พระเทระอุทิศส่วนบุญให้นั่นเอง วิบาก ค, คืออาหารน้ำดื่มและเครื่องนุ่งห่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้นนี้เป็นผลแห่งทักษินาลำดับนั้นนางมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่สผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีพัสราพรและเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาพระโมคคลานเถระพระมหาโมคคลานเถระถามนางเปรตนั้นว่าแม่เทพธิดา เธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพลึกเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้พลนอันเพื่ปราถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอแม่เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทาบุญอะไรไว เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดา น, นั้นตอบว่าเมื่อก่อนในชาติอื่นดิฉันเป็นมารดาของพระสารีบุตรเทระเข้าถึงเปตะวิสัยถูกความหิวกระหายครอบงำดิฉันถูกความหิวกระหายครอบงำแล้วได้กินน้ำลายน้ำมูกเสมหะที่เขาถมทิ้งแล้วกินมันเหลวซากศพที่ถูกเผาอยู่ และกินโลหิตของหญิงทั้งหลายผู้คลอดลูกกินโลหิตของคนที่มีแผลและผู้ที่ถูกตัดจมูกและศีรษะและกินหนังเนื้อเอ็นเป็นต้นที่อาศัยร่างกายชายหญิงดิฉันไม่มีที่พึ่งไม่มีที่อยู่อาศัยนอนบนเตียงอันแปดเปื้อนกินหนองและเลือดของปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายดิฉันบันเทิงอยู่เพราะทานของพระสารีบุตรจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหน พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันจะไหว้พระสารีบุตรผู้เป็นปรามีความกรุณาในโลกสารีบุตรตะเทรามาตุเปติวัตถุที่สองจบ 3. มมัตตาเปติวัตถุเรื่อง นางมัตตาเปรตนางติสาถามนางเปรตตนหนึ่งว่าแนนางเปรตผู้มีร่างกายสู้พร้อมมีแต่ซ้่โครงผุดขึ้นเธอเปลือยกายมีผิวพันธุ์และรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสู้พอมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครกันเล่ามายืนอยู่ณที่นี้นางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาเธอชื่อติสา ฉันเป็นหญิงร่วมสามีของเธอเพราะทํากรรมชั่วไว้จึงต้องจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกนางติสาถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตโลกนางเปรต น, นั้นตอบว่าฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายริษยาตรณีและมักโอ้อวด เรียกกล่าววาจาชั่วต่อเธอจึงจากมนุษย์โลกนี้ไปยังเปตระโลกนางติสาถามว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอเป็นหญิงดุร้ายอย่างไรแต่อยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงมีร่างกายเปื้อนฝุน่นนางเปรตนั้นตอบว่าเธอกับฉันพากันอาบน้าชาระร่างกายแล้วเธอได้นุ่งห่มผ้าสะอาดประดับตกแต่งร่างกายแล้ว ส่วนฉันประดับตกแต่งเรียบร้อยยิ่งกว่าเธอมากนักเมื่อฉันนั้นกำลังจ้องมองดูเธอคุยอยู่กับสามีทีนั้นฉันจึงเกิดความริษยาและความโกรธเป็นอันมากทันใดนั้นฉันดื้อ ก, กว่าตะล่มฝุ่นแล้วเอาฝุ่นโปรยรถเธอเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงมีร่างกายเปื้อนฝุ่นนางติสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอเอาฝุ่นโปรยใส่ฉัน แต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงเป็นหิตนางเปรตนั้นตอบว่าเราทั้งสองเป็นคนหายาได้พากันไปป่าเธอหายามาได้ส่วนฉันนำหมามุยมาเมื่อเธอเผลอฉันได้โปรยหมามุยลงบนที่นอนของเธอจนทั่วเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงเป็นหิตนางติสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่า เธอโปรยหมามุยลงบนที่นอนของฉันจนทั่วแต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงเป็นหญิงเปลือยกายนางเปรดนั้นตอบว่าวันหนึ่งได้มีการประชุมมิสหายและญาติทั้งหลายเธอได้รับเชิญแต่ฉันซึ่งร่วมสามีกับเธอไม่มีใครเชิญเลยเมื่อเธอเผลอฉันได้ลักขโมยผ้าเธอไปเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงเป็นหญิงเปลือยกาย นางติดสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอลักขโมยผ้าฉันไปแต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงมีกลิ่นกายเหม็นดังกลิ่นคูดนางเปรตนั้นตอบว่าฉันได้ทิ้งห่อของหอมดอกไม้และเครื่องรูปไลซึ่งมีราคาแพงของเธอลงส้วมฉันทำบาปชั่วชนั้นไว้แล้วเพราะผลกรรมนั้น ฉันจึงมีกายเหม็นดังกลิ่นคูดนางติสาถามว่าเรื่องนี้เป็นความจริงถึงฉันก็รู้ว่าเธอทำบาปนั้นไว้แล้วแต่ฉันอยากจะถามเธอถึงเรื่องอื่นเพราะกรรมอะไรเธอจึงเป็นคนยากจนนางเปรตนั้นตอบว่าที่เรือนของเราทั้งสองได้มีทรัพย์อยู่เท่ากันเมื่อไย่ธรรมมีอยู่ฉันไม่ได้ทำที่พึ่งสำหรับตนเพราะผลกรรมนั้นฉันจึงเป็นคนยากจน ครั้งนั้นเธอได้กล่าวตักเตือนฉันห้ามเม่ทากรรมชั่วว่าเธอจะไม่มีทางได้สุคติเพราะกรรมชั่วนางติสากล่าวว่าเธอไม่เชื่อเราที่แท้กลับริษยาเราเชิญธูดูผลกรรมชั่วเมื่อก่อนที่เรือนของเธอได้มีนางทาสีและเครื่องประดับเหล่านี้แต่เดี๋ยวนี้นางทาสีเหล่านั้นพากันรับใช้คนอื่นโภคะทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอน บัดนี้อุดุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรเราจะกลับจากตลาดมายัางบ้านนี้เธออย่าเพิ่งรีบไปจากที่นี้เสียก่อนละ่ะบางทีเขากลับมาจะพึงให้อะไรแกเธอบ้างนางเปรตนั้นตอบว่าฉันเปลือยกายมีรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสู้พร้อมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นการเปลือยกายและการมีรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวนี้ เป็นสิ่งที่น่าละอายสำหรับหญิงทั้งหลายกุดุมพีผู้เป็นบิดาของบุตรย่าได้เห็นฉันเลยนางติสากล่าวว่าว่ามาเถอะฉันจะให้หรือทำอะไรแก่เธอที่เป็นเหตุให้เธอมีความสุขสำเร็จความปรารถนาทุกอย่างฉันจะให้หรือกระทำแก่เธอนางเปรตนั้นตอบว่าขอเธอจงนิมนต์ภิกษุสี่รูปจากสงนิมนต์เจาะจงอีกสี่รูปรวมเป็นแดรูป ให้ฉันพัฒหารและอุทิศวนบุญให้ฉันเมื่อนั้นฉันจะได้รับความสุขสําเร็จความปรารถนาทุกอย่างนางติสานั้นรับว่าได้จะ่ะแล้วนิมนต์ภิกษุแปรูปให้ฉันพัตาหารให้ครองไตรจีวรและอุทิศวนบุญให้นางเปรตนั้นในลําดับที่นางติสาอุทิศวนบุญให้นั่นเองวิบาคืออาหารเครื่องนุ่งห่มและน้ําดื่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้น นี้เป็นผลแห่งทักษิณาทันใดนั้นนางเปรตมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาดสวมใส่ผ้าเนื้อดีกว่าผ้าแคว้นกาสีมีพัสราพรและเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหานางติสาซึ่งเป็นหญิงร่วมสามีนางติสาจึงถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากฉันขอถามว่าสมัยเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอย่างนี้นางมัตตาเทพธิดาตอบว่า เมื่อก่อนฉันชื่อมัตตาเธอชื่อติสาฉันเป็นหญิงร่วมสามีของเธอเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตตโลกฉันบันเทิงอยู่เพราะทานที่เธออุทิศให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนคุณน้องขอเธอพร้อมด้วยหมู่ญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดจงเข้าถึงสถานที่ที่ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลี มีความสำราญซึ่งเป็นที่อยู่ของเท้าวัสวัตดีเธอผู้มีรูปงามเธอประพฤติธรรมให้ทานในโลกนี้กำจัดมนทินคือความตรณีพร้อมทั้งเหตุได้แล้วไม่มีใครตำหนิติเตียนได้จงเข้าถึงโลกสวรรค์มัตาเปติวัตุที่สามจบ นันทาเปติวัตุเรื่องนางนันทาเปรตนันทิเสนาอุบาสกถามว่าเธอมีผิวดำรูปร่างน่าเกลียดผิวพันหยาบกร้านมองดูน่ากลัวตาเหลืองมีเขี้ยวสีน้ำตาลแก่เรารู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์นางเปรตนั้นตอบว่าท่านนันทิเสนเมื่อก่อนฉันชื่อนันทาเป็นพัญยาของท่านเพราะทากรรมชั่วไว จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกนั่นที่เซนอาอุบาโสถามว่าเมื่อก่อนเธอได้ทากรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรเธอจึงจากโลกนี้ไปยังเปตาโลกนางเปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนดิฉันเป็นหญิงดุร้ายหยาบคายและไม่เคารพท่านได้กล่าววาจาชั่วร้ายกับท่านจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตาโลก นันที่เสโนอุบาโสถกล่าวว่าเอาละเราจะให้ผ้าอย่างดีแก่เธอเธอจงนุ่งผ้านี้นุ่งเสร็จแล้วจงมาเราจะนําเธอไปเรือนเธอไปเรือนแล้วจกได้ผ้าข้าวและน้ําทั้งจากได้เห็นบุตรและลูกสะใภ้ทั้งหลายของเธอนางเปรตนั้นตอบว่าผ้านั้นถึงท่านจะหยิบยื่นให้ที่มือของดิฉันก็ไม่สําเร็จแก่ฉันท่านจงเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลสมบูรณ์ ปราศจากราคาเป็นพระหูสูตรให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้ำจงอุทิศส่วนบุญให้ฉันเมื่อนั้นฉันจะมีความสุขสำเร็จความปรารถนาทุกอย่างนั่นที่เซนอุบาสกนั้นรับคำแล้วได้ถวายทานเป็นอันมากคือข้าวน้ำของเคี้ยวผ้าเสนาสนะร่มของหอมดอกไม้และรองเท้าต่างๆ และเลี้ยงภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลสมบูรณ์ปราศจากราคะเป็นผู้หูสสตให้อิ่มน้ำเลือกข้าวและน้าแล้วอุทิศบุญให้นางนันทานั้นในลำดับที่นันทิเซนอุบาสกอุทิศบุญให้นั้นเองวิบาคืออาหารเครื่องนุ่งหมและน้ำดื่มก็เกิดขึ้นแก่นางเปรตนั้นนี้เป็นผลแห่งทักษิณาทันใดนั้นนางเปรตมีร่างกายหมดจดนุ่งผ้าสะอาด สวมใส่ผ้านเนื้อดีกว่าผ้าแควนกาสีมีพัสตราพร์และเครื่องประดับวิจิตรงดงามเข้าไปหาสามีนั่นที่เสนุบาสกถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศสถิตยอยู่ดุจ ด, ดาวประกายพริงเพราะบุญอะไรเธอจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสาเร็จแก่เธอในที่นี้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 เพราะทำครรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตะโลกฉันบันเทิงอยู่เพราะทานที่ท่านอุทิศให้แล้วจึงไม่มีภัยแต่ที่ไหนท่านข้าบดีขอท่านพร้อมด้วยหมู่ญาติทุกคนจงมีอายุยืนนานเถิดจงเข้าถึงสถานที่ที่ไม่มีความเศร้าโศกปราศจากทุลีมีความสำราญซึ่งเป็นที่อยู่ของท้าววสวสดีท่านข้าบดีท่านประพฤติธรรมให้ทานในโลกนี้ กาจัดมทินคือความตรณีพร้อมทั้งเหตุได้แล้วไม่มีใครตาหนิติเตียนได้จงเข้าถึงโลกสวรรค์นันทาเปติวัตุที่สจบ 5. มัทธกุลทลีเปตะวัตุ เรื่องมัทกุลทลีเปรตผู้ทําใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก่อนสิ้นใจพราหมณ์ถามว่าเจ้าประดับตกแต่งร่างกายใส่ต้มหูเกลียงทัดทรงดอกไม้มีกายรูปลล่ด้วยจุนแก่นจันท์แดงประคองแขนคร่ําครวนอยู่กลางป่าเจ้าเป็นทุกเรื่องอะไรมัทกุลทลีเทพปบุตตอบว่าเรือนรถที่ทําด้วยทองคํางามผุดพองเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายัางหาล้อรถทั้งคู่นั้นไม่ได้เพราะความทุกขนั้นข้าพเจ้าจักยอมสละชีวิตพราหมณ์กล่าวว่าพ่อมานพููเจริญเจ้าอยากได้ล้อทองคําล้อแก้วมณีล้อทองแดงหรือล้อเงินจงบอกข้ามาข้าจะจัดล้อทั้งคู่ให้เจ้ามานพนั้นกล่าวแก่พราหมณ์นั้นว่าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ทั้งสองย่อมปรากฏในท้องฟ้านั้น รถทองคําของข้าพเจ้าย่อมงามด้วยล้อทั้งคู่นั้นพรามกล่าวว่าพ่อมานพเจ้าโง่นักที่มาปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรปรารถนาข้าเข้าใจว่าเจ้าจากตายเสียก่อนเพราะไม่มีทางที่จะได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เลยมานพกล่าวว่าแม่การโครจรไปมาของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็ยังปรากฏอยู่รัศมีก็ยังปรากฏอยู่ในวิถีทั้งสอง ส่วนคนที่ตายล่วงลับไปแล้วย่อมไม่ปรากฏเราทั้งสองผู้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในที่นี้ใครหนอโง่กว่ากันพรามกล่าวว่าพ่อมานพเจ้าพูดจริงแท้เราทั้งสองผู้ร้องไห้คร่ำครวญอยู่ค่านี้แหละโง่ ก, กว่ามาปรารถนาถึงคนที่ตายล่วงลับไปแล้วเหมือนทารกร้องไห้อยากได้ดวงจันเจ้ามาช่วยลดค่าผู้เร่าร้อนให้สงบ ดับความกระวนกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเจ้าบรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของข้าผู้กําลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกสอนคือความโศกซึ่งเสียบที่หัวใจของข้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมานพข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกสอนคือความโศกขึ้นให้แล้วเย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคาของเจ้า พราเมื่อจะถามต่อไปจึงกล่าวว่าเจ้าเป็นเทวดาหรือคนทันหรือเป็นเท้าสักกะบุรินทะเจ้าเป็นใครหรือเป็นบุตรของใครเราจะรู้จักเจ้าได้อย่างไรมานพเปิดเผยตนแก่พราเมนั้นว่าท่านเองเผาบุตรที่ป่าช้าแล้วคร่ำครวนร้องไห้ถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือข้าพเจ้าซึ่งทำกุศ ล, ลกรรมแล้วถึงความเป็นสหายของถวยเทพชั้นดาวดึง พรามถามว่าเมื่อเจ้าให้ทานน้อยหรือมากในเรือนของตนหรือรักษาอุโบสถกรรมเช่นนั้นข้าพเจ้ามิได้เห็นเพราะทากรรมอะไรไว้เจ้าจึงไปเทวโลกไดมานพตอบว่าข้าพเจ้าป่วยเป็นไข้ได้รับทุกมีกายกระสับกระส่ายอยู่ในที่อยู่ของตนได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากกิเลสดังทุลีทรงข้ามพ้นความสงสัยเสด็จไปดีแล้ว มีพระปัญญาไม่ต่ำซามขขาพเจ้านั้นมีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใสได้ทำอัญชลีกรรมแด่พระตถาคตข้าพเจ้าครั้นทํากุศลกรรมนั้นแล้วได้เกิดร่วมกับหมู่เทพชั้นดาวดึงพรามกล่าวว่าน่าอัศจรรจริงไม่เคยมีมาแล้วหนออัญชลีกรรมมีผลเป็นได้ถึงเช่นนี้แม้เขาพเจ้าก็มีใจเบิกบานมีจิตเลื่อมใส จึงขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้นี่เองมานพกล่าวว่าท่านจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกในวันนี้นี่แหละอันหนึ่งท่านจงสมาทานศิกขาบทห้าอย่าให้ขาดและด่างพร้อยคือจงรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตน อย่ากล่าวเท็จอย่าดื่มน้ำเมาพรามณ์กล่าวว่าเทวดาผู้น่าบูชาท่านเป็นผู้มุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำตามคำของท่านท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์พระธรรมอันยอดเยี่ยมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าจะรีบงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นคาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกยินดีเฉพาะพัญญาของตนไม่กล่าวเท็จไม่ดื่มน้ำเมามัทธกุลทลีเปตะวัตุที่ห้าจบ หเป็นตวัตถุเรื่องเปรตกัรหโคดโรหินายะอมาตกราบทูลว่าพระองค์ผู้กัรหโคดขอพระองค์เสด็จลุกขึ้นเถิดจะมัวบรรทมอยู่ทําไมจะมีประโยชน์อะไรต่อพระองค์ด้วยการบรรทมอยู่เล่าพระเยวะบัดนี้พระพาดาร่วมพระอุทธรของพระองค์ซึ่งเป็นแดงพระหทัยและนายเนธเบื้องขวาของพระองค์ทรงมีลมกําเริบ เพ้อครั่งอยู่พระเจ้าเคสวะทรงสดับคํคำของโรหินัยะอมานั้นแล้วได้ทรงอึดอัดเพราะความโศกถึงพระพาดาจึงรีบเสด็จลุกขึ้นทันทีทรงจับมือทั้งสองของคตะบัณฑิตไว้มั่นเมื่อจะทรงปราศัยจึงตรัสว่าเหตุไรหนอเธอจึงเป็นดังคนบ้าเที่ยวบนเพออยู่ทั่วพระนครทวาร ก, กะนี้ว่ากระตายกระตาย เธอต้องการกระต่ายเช่นไรฉันจะให้นายช่างทํากระต่ายทองคํากระต่ายแก้วมณีกระต่ายโลหะกระต่ายเงินกระต่ายสังกระต่ายศิลากระต่ายแก้วประพานให้เธอแม้กระต่ายอื่นๆที่เที่ยวหากินอยู่ในป่ายังมีอยู่ฉันจะให้นํากระต่ายแม้เหล่านั้นมาให้เธอเธอต้องการกระต่ายเช่นไรขตตะบัณฑิตกลาบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ต้องการกระต่ายที่อยู่บนแผ่นดิน ข้าพระองค์ต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์พระเกซวะขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดนำกระต่ายนั้นลงมาประทานแก่มอมฉันเถิดพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่าแน่พระญาติเธอจักรละชีวิตที่ประเสริญยิ่งเสียแน่เพราะเธอต้องการกระต่ายจากดวงจันทร์ชื่อว่าปรารถนาสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาพะตะบันดิตกลาบทูลว่าพระองค์ผู้กันหโคต หากพระองค์ทรงทราบตามที่พระองค์ทรงพร่ำสอนบุคคลอื่นเหตุฉไนนพระองค์จึงทรงกันแสงถึงพระราชโอรสที่ที่วงคตไปตั้งนานจนถึงวันนี้เล่ามนุษย์หรืออมนุษย์ไม่พึงได้ตามปรารถนาว่าขอบุตรของเราผู้เกิดมาแล้วอย่าตายเลยพระองค์จะทรงได้พระราชโอรสที่ที่วงคตแล้วซึ่งไม่ควรได้แต่ที่ไหนพระองค์ผู้กันหโัโคต พระองค์ไม่อาจจะนำพระราชโอรสผู้ที่วงคตแล้วที่พระองค์ทรงกันแสงถึงมาได้ด้วยมนด้วยยาสมุนไพรหรือทรัพย์ได้แม้ชนทั้งหลายที่มีทรัพย์มากมีโภกสมบัติมากถึงจะเป็นกษัตริย์ผู้ครองแคว้นมีทรัพย์และทัญญาหารมากมายจะไม่แก่ตายก็ไม่มีแม้เหล่าชนที่เป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรจันทานปุกปุสะและชนประเภทอื่น ผู้มีความเกิดของตนเป็นเหตุจะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีแม้เหล่าชนผู้ไร่มนพรหมจินดามีองค์หกและเหล่าชนที่ใช้วิชาอื่นๆจะไม่แก่ไม่ตา ย, ตายก็ไม่มีอันหนึ่งแม้ฤาษีทั้งหลายผู้สงบสำรวมบำเพ็ญตบะก็ยังต้องละทิ้งร่างกายไปตามการนันสมควรแม้พระอรหันต์ทั้งหลายผู้อบรมตนแล้วทำกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะ สิ้นบุญและบาปก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปพระเจ้าวาสุเทพตรัสว่าเธอมาช่วยลดเราผู้เร่าร้อนให้สงบดับความกรงกระวายทั้งหมดเหมือนคนใช้น้ำราดดับไฟที่ติดเปลียงเธอบันเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของเราผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบที่หาไทยของเราขึ้นได้แล้วหนอ เราผู้ซึ่งเธอช่วยถอนลูกสอนคือความโศกขึ้นได้แล้วเย็นสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคำของเธอชนเหล่าใดเป็นผู้อนุเคราะห์ชนเหล่านั้นเป็นคนมีปัญญาย่อมทำอย่างนี้ย่อมช่วยกันและกันให้หายจากความเศร้าโศกเหมือนขะตะบัณฑิตช่วยพระเชษฐาดาให้หายจากความเศร้าโศก ผู้อมหาผู้ถวายการรับใช้ของพระราชาพระองค์ใดย่อมเป็นเช่นนี้ย่อมแนะนำด้วยสุภาษิตเหมือนขตะบัณดิตแนะนำพระเชษฐาดาของตนการหาเปตวัตุที่6จบ เจนาปาละเศรษฐิเปตะวัตถุเรื่องธนาปาละเศรษฐีเปรตผู้พ่อค้าถามเปรตตนหนึ่งว่าแน่เพื่อนยากท่านเปลือยกายมีผิวพรรณและรูปร่างหน้าเกลียดหน้ากลัวสู้พร้อมมีร่างกายสะพร่างไปด้วยเส้นเอ็นมีแต่ซี่วโครงผุดขึ้นมีร่างกายสู้พร้อมท่านเป็นใครกันหนอเปรตนั้นตอบว่าผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในโยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมชั่วไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตตโลกผู้พ่อค้าถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตตโลกเปรตนั้นตอบว่ามีพระนครของพระเจ้าทศนราชปรากฏชื่อว่าเอรกักตะ เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีอยู่ในนครนั้นชนทั้งหลายเรียกข้าพเจ้าว่าธนปาละเศรษฐีข้าพเจ้ามีเงิน8ปดสิบเล่มเวียนทองคําแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์ก็มีมากมายแม้ข้าพเจ้าจะมีทรัพย์มากมายถึงเพียงนั้นก็ไม่พอใจที่จะให้ทานปิดประตูเรือนแล้วจึงบริโภคอาหารด้วยคิดว่าพวกยาจกจะได้เห็นเรา ข้าพเจ้าไม่มีศรัทธาเป็นคนตรหนีกระด้างได้ด่าพวกคนที่ให้ทานทำบุญและห้ามชนเป็นจำนวนมากที่ให้ทานทำบุญด้วยคำว่าผลแห่งทานไม่มีผลแห่งความสำรวมจกมีแต่ที่ไหนจึงทำลายสระน้ำบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ทำลายสวนดอกไม้สวนผลไม้ศาลาน้ำดื่มและสะพานในที่เดินลำบากให้พินาศ ข้าพเจ้านั้นไม่ได้ทำความดีทำแต่กรรมชั่วไว้เคลื่อนจากมนุษสีโลกนั้นแล้วจึงเกิดในแดนเปรตมีแต่ความหิวกระหายตลอดห0ปีตั้งแต่ข้าพเจ้าตายแล้วยังไม่ได้กินข้าวและดื่มน้ำเลยความหวงแหนซับเป็นความพินาศความพินาศก็คือความหวงแหนซับได้ยินว่าเปรตทั้งหลายก็รู้ว่าความหวงแหนรั์เป็นความพินาศ เมื่อชาติก่อนเข้าพเจ้าห่วงแหนทรับเมื่อทรับมีอยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ให้ทานเมื่อทายธรรมมีอยู่ก็ไม่ได้ทําที่พึ่งแก่ตนเข้าพเจ้านั้นได้รับผลกรรมของตนจึงเดือดร้อนในภายหลังพ้นจากสี่เดือนไปแล้วเข้าพเจ้าจาักตายจักตกนรกอันเร่าร้อนแสนสาหัสนรกนั้นมีสี่เหลี่ยมมีประตูสีด้านกรรมสร้างจาแนกว้เป็นส่วนส่วน ล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็กพื้นนรกนั้นล้วนเป็นเหล็กแดงลุกเป็นเปลวเพลิง ป, ประกอบด้วยความร้อนแผ่ไปรอบตลอดรอยโยอดอยู่ตลอดกาลข้าพเจ้าจักต้องเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนั้นยาวนานด้วยว่าการเสวยทุกเช่นนี้เป็นผลกรรมชั่วเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเศร้าโศกอย่างหนักด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นี้พวกท่านอย่าได้ทำกรรมชั่วทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับถ้าพวกท่านจะทำกรรมชั่วนั้นหรือกำลังทำอยู่แม้พวกท่านจะขหหนีไปก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้ขอท่านทั้งหลายจงเกื้อกูลมารดาจงเกื้อกูลบีดาประพฤตอ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ในสกุลเป็นผู้เกื้อกูลสมณะเกื้อกูลพราหมณ์ ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะไปสู่สวรรค์ธนปาลกะเศรษฐิเปตวัตถุที่7จบ 8. จุลเศรษฐิเปตวัตถุเรื่องจุลเศรษฐีเปรตพระเจ้าอาชาตสตรูตรถามเปรตนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านเป็นนักบวชเปลือกกายสู้พร้อมเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงไปที่ไหนๆเฉพาะกลางคืน ขอท่านจงบอกเหตุที่มาแก่ข้าพเจ้าเถิดบางทีข้าพเจ้าอาจมอบทรัพย์เครื่องปลื้มใจจากโภคะทั้งปวงให้แก่ท่านเปรตนั้นตอบว่าเมื่อชาติก่อนพระนครพราราณสีมีกิติคุณเรื่องลือไปไกลข้าพระองค์เป็นข้าพเดชผู้มั่งคั่งอยู่ในพระนครนั้นแต่เป็นคนมีจิตรามไม่เคยให้เสียงของแก่ใครมีใจคล่องอยู่ในอามิด ได้ตกไปถึงวิสัยแห่งพยายมเพราะเป็นผู้ทุศีลเพราะบาปกรรมเหล่านั้นข้าพระองค์นั้นจึงลำบากเนื่องจากถูกความหิวเสียแทงเพราะความทุกข์อันเกิดแต่ความหิวนั้นแหละข้าพระองค์ปราถนาอามิต h จึงได้มาหาหมู่ญาติมนุษย์แม้เหล่าอื่นมีปกติไม่ให้ทานและไม่เชื่อว่าผลแห่งทานมีอยู่ในปรโลกที่ดาของข้าพระองค์พูดอยู่เสมอว่า เราจะให้ทานอุทิตบิดามารดาปู่ย่าตายายพวกพรา์บริโภคทานที่นางจัดแจงแล้วข้าพระองค์จะไปยังเมืองอันทกวินทะเพื่อบริโภคอาหารพระราชาจึงตรัสสั่งกับเขาว่าถ้าท่านไปได้จะไว้ผลทานแม้นั้นพึงรีบกลับมาบอกเหตุที่มีจริงแก่เราเราฟังคำมีเหตุผลอันควรเชื่อถือได้แล้วจักทาสักรบูชาบ้าง เปรตจูละเศถษฐีรับพระดำรัสแล้วได้ไปยังเมืองอันทั ก, กวินทะนั้นแต่ไม่ได้รับผลแห่งทานนั้นเพราะพรามทั้งหลายที่บริโภคพัดเป็นผู้ไม่มีศีลไม่ควรแก่ทักษิณาภายหลังเปรตจูละเศถษฐีกลับมายัางกรุงราชครืออีกได้แสดงกายให้ปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เป็นใหญ่กว่ามูชนพระราชาท่อพระเนรเห็นเปรตนั้นกลับมาอีกจึงตรัสถามว่า เราจะให้ทานอะไรถ้าเหตุที่จะทำให้ท่านอิ่มน้ำตลอดกาลนานมีอยู่ขอท่านจงบอกเหตุนั้นแก่เราจุลเศรษฐีเปรกกราบทูลว่าพระราชาขอพระองค์จงทรงอังคาตพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยข้าวน้ำและจีวรและทรงอุทิศส่วนบุญนั้นเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่ข้าพระองค์ด้วยทรงบาเพ็ญกิจอย่างนี้ข้าพระองค์จะพึงอิ่มน้าตลอดกาลนาน เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงรีบเสด็จออกสรงถวายทานมากมายแก่สงฆ์ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้วทรงกราบทูลเรื่องราวแด่พระตถาคตและทรงอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่เปรตนั้นจุลเศรษฐีเปรตนั้นได้รับการบูชาแล้วเป็นผู้งดงามยิ่งนักได้มาปรากฏเฉพาะพระพักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์อย่างยอดเยี่ยม มนุษย์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์เสมอเหมือนกับข้าพระองค์ไม่มีขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรอนุภาพซึ่งหาประมาณไม่ได้ของข้าพระองค์นี้เถิดที่พระองค์ทรงถวายทานมากมายแก่สมอุทิศแก่ข้าพระองค์ด้วยความอนุเคราะห์พระองค์ผู้เป็นเทพแห่งมนุษย์ข้าพระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ทรงให้อิ่มน้ำตลอดการเป็นนิดด้วยทายธรรมเป็นอันมากบัดนี้ข้าพระองค์มีความสุขแล้วจึงขอทูลลา จุลเสถิเปตวัตุที่8จบภาณวาระที่หนึ่งจบ